พระไตรปิฎกเล่มที่12วีมังส ก, กะสูตรว่าด้วยเรื่องผู้ตรวจสอบการตรวจสอบธรรมะของพระตถาคตผู้ตรวจสอบมีสามจำพวกคือ 1. อัตวีมังส ก, กะหมายถึงผู้พิจารณาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น 2. ส, สังขารวีมังส ก, กะหมายถึงผู้พิจารณาสังขารธรรม โดยลักษณะของธรรมะนั่นโดยสามัญลักษณะและโดยวิภาคธรรม 3. สัตวุวีมังส ก, กะหมายถึงผู้พิจารณาตรวจสอบพระาศาสดาเช่นพิจารณาว่าขึ้นชื่อว่ า, าศาสดาต้องมีคุณเช่นนี้เช่นนี้ในพระสูตรนี้หมายถึงสัตวุวีมังส ก, กะคือผู้พิจารณาตรวจสอบพระาศาสดา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนนทบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาราจิตของผู้อื่นพึงทําการพิจารณาตรวจสอบตถาคตเพื่อทราบว่า ตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นไม่ตอบแต่กราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายจึงตรัสแสดงดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อมีรู้วาระจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมะสองประการคือหนึ่งธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตา ละสองธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางหูว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้ามองหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้ามองจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่า ตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจอกันหรือไม่เจอกันในที่นี้หมายถึงเป็นสิ่งผสมกันกล่าวคือบางครั้งเป็นธรรมะดำบางคราวเป็นธรรมะขาวเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจอกัน จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้ทางตาและทางหูอันพองแผ้วหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันพองแผ้วจากนั้น ก hey. ías, ็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการลช้านานหรือมีชั่วการนิดหน่อยเมื่อตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู <Century> ้อ <IV> ย <reality> ่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการลช้านานมีใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยจากนั้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านภิกษุนี้ มีชื่อเสียงมียศท่านมีโทษบางอย่างในโลกนี้บ้างหรือไม่เพราะภิกษุยังไม่มีโทษบางอย่างในโลกนี้ช่วเวลาที่ตนยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มียศแต่เมื่อมีชื่อเสียงมียศแล้วก็จะมีโทษบางอย่างในโลกนี้ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่า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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องควรตอบอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้อยู่ในหมู่หรืออยู่ผู้เดียวจะไม่ดูหมิ่นหมู่ชนในที่นั้นผู้ดําเนินไปดีดําเนินไปชั่วสั่งสอนคณะบางพวกติดอยู่ในอามิ t h ในโลกนี้และบางพวกไม่ติดอยู่ในอามิ t h ในโลกนี้เราได้สดับรับความข้อนี้มา ในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าเราเป็นผู้ไม่มีภัยมิใช่เป็นผู้มีภัยเพราะปราศจากราคะแล้วไม่เสกกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้พิจารณาเหล่านั้นภิกษุผู้พิจารณารูปหนึ่งควรสอบถามตถาคตต่อไปว่า ตถาคตมีธรรมะที daylight, yes. um m m aba, ่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันหรือไม่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 สัตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแพ้วเราเป็นผู้มีธรรมะที่ผ่องแพ้วนั้นเป็นทางเป็นที่โกจรเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาสาวกควรจะเข้าไปหาศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้เพื่อฟังธรรมศาสดาก็จะแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและปรานียิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่สาวกนั้นาศาสดาก็แสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและปราณีทยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่ภิกษุทั้งที่เป็นส่วนดาและส่วนขาวแก่ภิกษุโดยประการใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะนั้นโดยประการนั้นถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลาย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 ก็ทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและปราณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เรานั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและปราณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เราโดยประการใดเราก็รู้ยิ่งซึ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะนั้นโดยประการนั้นถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในพระศาสดาวา่า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 เรากล่าวว่ามีเหตุมีทัศนะเป็นมูลมั่นคงข้อนี้หมายถึงมีโสดาปฏิมักเป็นมูลเหตุซึ่งสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครในโลกไม่พึงให้วันไหวได้ภิกษุทั้งหลายการตรวจสอบธรรมะในตถาคตย่อมมีอย่างนี้ตถาคตเป็นผู้ที่ภิกษุพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดวยธรรม อย่างนี้แหละ